สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่สี่ร้อสิบแปดเรื่องการวางใจครั้งที่สอง trust หรือการวางใจ trust ในเช้าวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันเป็นลักษณะของ acrostic word acrostic นั่นหมายความว่าแต่ละคำนะครับถอดความจากคำว่า trust ออกมา นะครับเช่น T มาจากคำว่า turn นะครับ R มาจากคำว่า relay U มาจากคำว่า understand S มาจากคำว่า submit T มาจากคำว่า terminate นะครับ T R U S T trust ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกัมภีร์ในตอนนี้คือในพระธรรมยอห์นบทที่14นะครับพระธรรมยอห์นบทที่14เมื่อวานนี้เราได้พูดว่าให้ระวังใจในพระเจ้า เพราะว่าพระนิเวศของพระบิดามีที่อยู่เป็นนันมากในเช้าวันนี้นะครับทีตัวแรกของเราก็คือคำว่าเทิร์น T U R N Turn นะครับปรากฏอยู่ในพรนะเจนักของพระเจ้าในพระธรรมยอญบทที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่สิบเจ็ดโปรดฟังพระเจนักของพระเจ้าถ้าท่านหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านและประทับอยู่ในท่านที่ได้ให้เรารู้จักคําว่าเชิญครับแต่เดิมนั้นเราหันหลังให้กับพระเจ้าแต่เวลานี้เราต้องเทิญกลับมาครับก็คือเราต้องหันกลับมาหาพระเจ้านั่นคือการกลับใจเสียใหม่การบังเกิดใหม่ การยอมสารภาพบาปและนี่คือการรับชีวิตใหม่ก็คือรับชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ประทานให้กับเราการเทินนั้นเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าครับในขณะเดียกันนะครับเราก็รู้จักกับพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราแต่นี่ครับเป็นการเทินแรกนะครับเทินไปหาพระเจ้าหันกลับไปหาพระเจ้ารักพระองค์นะครับ และมองไปข้างหน้าครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่มองไปข้างหน้าไปถึงอะไรครับไปถึงพระนิเวศของพระบิดาซึ่งมีที่อยู่ของเราซึ่งพระเยซูได้ไปจัดเตรียมที่สำหรับเราทั้งหลายทีตัวแรกคือการเชิญเชิญ to God เชิญทูพระเยซูครับ R ครับซึ่งเป็นตัวที่สองของคำว่า t r u s t ก็คือลีไลลีไลนะครับแปลว่าพึ่งพานะครับลีล on ก็คือพึ่งพาพึ่งพาใครครับพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานในพระธารมโรมครับได้พูดถึงบทที่แปดข้อที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับพระธรรมโรมบทที่แปดข้อที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเราอ่านได้ความดังนี้ว่าในํำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิ ญ, ญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราข่ํำครวนอธิษฐานไม่เป็นคําและพระองค์ผู้ทรงชนสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกนชนตามที่ชอบพระไถยพระเจ้าพี่น้องครับการพึ่งพาพระเจ้าหมายถึงการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือคําว่า R นะครับก็คือรีไลน์เราสามารถที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในการอธิษฐาน เมื่อเราไว้วางใจพระองค์เมื่อระวางใจเรามี trust เราสามารถพึ่งพาพระวิญาณได้เราพึ่งพาพระวิยาณบริสุทธิ์ในการที่พระองค์จะทรงโปรดอธิษฐานขอแทนเราเมื่อเราข้าควรวนเรามีความทุกข์ยากลำบากเรามีอะไรที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้นะครับมันอัดอั้นตันใจเหลือเกินนี่คืออาร์ตัวที่สองครับก็คือลีไลนะครับเท r รล ตัวยูตัวที่สามครับก็คำว่า understand ในพระเจนาของพระเจ้าได้ให้คำที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์และความจริงนะครับก็คือเกี่ยวข้อง ก, กับเราต้องเข้าใจเรื่องอะไรครับเรื่องความจริงเราต้องรู้ความจริงของพระเจ้าเพราะในพระธรรมยอห์นบทที่สิบหกข้อที่สิบสามพระธรรมยอห์นบทที่สิบหกข้อที่สิบสามได้กล่าวนี้ครับ เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพารักการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจนะพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าเมื่อเรา trust นะครับเราจะ understand เพราะพระวิญญาณแห่งความจริงนั้นจะทําให้เราเข้าใจความจริงครับและด้วยเหตุนี้ ความจริงนั่นก็คือให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักชีวิตของเราเราจะรู้จักโลกเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเราจะเข้าใจว่าทางใดที่เราจะได้ความช่วยเหลือที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมปีกตอนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่ในพระธรรมโรมพระธรรมโรมบทที่แปดนะครับพระธรรมโรมบทที่แปดข้อที่สิบสี่ เขาทำโรบที่แปดก็ที่สิบสี่โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าทรงนําผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพเพียงครับเมื่อเราเข้าใจความจริงเกี่ยวข้องกับพระวิาญญาณเราก็รู้ว่าเราสามารถที่จะ trust เราสามารถที่จะไว้วางใจพระเยซูได้นี่คือตัว U ครับตัวที่สี่ครับก็คือตัว S นะครับ S มาจากคาว่า submit Submit แ, Sub แปลว่ายอมจำนวนนะครับซับมแปลว่ายอมจำนวนคาว่ายอมจำนวนนั้นมีความหมายลึกซึ้งครับก็คือเรายอมผูกพันตัวเองนะครับยอมผูกพันตัวเองกับใครบางคนหรืออะไรบางอย่างเมื่อเรามีซั b m ิ t หรือยอมจำนวนความหมายตรงนี้ก็คือว่าเราต้องยอมจำนวนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าการยอมจำนวนกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทำให้เรา สามารถที่จะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์และเราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีชัยชนะได้ในพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับก็คือในพระธรรมกาลาเทียพระธรรมกาลาเทียนั้นทำให้เราได้เข้าใจความจริงนะครับเรื่องของการยอมจำนอนอยู่ในกาลาเทียบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดครับกาลาเทียบทที่ห้าข้อสิบที่สิบเจ็ด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 การดำเนินช <t od harmless itaire> <men> ีว <centre> ิตตามพระวิญญาณก็คือชีวิตที่ซับมิตคือยอมจํานนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจนะครับในเบื้องต้นก็ตามแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเข้าใจและจะเข้าใจในที่สุดพี่น้องครับแต่เราต้องเริ่มต้นชีวิตก็คือยอมจํานนต่อพระเจ้ายอมดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธ์ตามพระวิญญาณบริสุทธ์ไป นะครับตัวทีตัวสุดท้ายครับก็คือคำว่า terminateterminate นั้นแปลว่าให้หยุดครับหยุดอะไรครับหยุดนิสัยเก่าเก่าหยุดชีวิตเก่าแ<ไ>ขวนชีวิตเก่าไว้อยู่บนไม้กางเขนครับตรึงตัวเองไว้ก็คือการตรึงกางเขนร่วมกันกับพระเยซู terminate คือการหยุดพระรธรรมกาลที่ห้าข้อที่สิบหกได้พูดถึงว่า ยาสนองความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องครับตรงนี้ชัดเจนอธิบายชัดเจนยาสนองความต้องการของเนื้อหนังนะครับการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดในข้อที่สิบเก้าคือการล่วงประเวณีการโสโคกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการดิสหยากันการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิดช้ากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเลและการอื่นๆในทํานองนี้อีก พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหยุดนะครับหยุดหยุดให้สนิทครับในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะต้องมีต่อไปก็คือผลของพระวิญญาณครับคือความรักความปรบับปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเก้าอย่างครับโปรดฟังอีกครั้งฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความปลดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนที่นับก้าอย่างนี้มันเกิดจากการที่เราหยุดและให้พระวิ ญ, ญญาณทรงนำชีวิตของเราเข้าสู่การไว้วางใจครับชีวิตเราต้องเปิดโหมดของการไว้วางใจท r u สตต้องเทิญนะครับต้องหันกลับไปหาพระเจ้าต้องลีไลต้องพึ่งพาพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ ต้องรู้ความจริงอันเดอร์สเตนรู้พระเจตน์ของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่ซับซิดก็คือการยอมจหนนนะครับแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตามเราต้องดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจและสุดท้ายก็คือเทอร์มิเอตเราต้องหยุดการงานของเนื้อหนังอะไรที่เป็นของโลกนี่คือ trust T R U S T u c นะครับซึ่งจะนําไปสู่จอยในวันพรุ่งนี้ครับ J O Y Join ขอพระเจ้าช่วยเหลือและทรงนำพี่น้องที่รับทุกท่านที่เราจะไว้วางใจและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันในการเ t u r นในการ relay ในการอ understand ในการ submit และในการ terminate บางสิ่งบางอย่างที่เป็นความบาปในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รับทุกท่านอาเมน